วันนี้เป็นวันพระรหัสที่8ปดธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งให้ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้หยุดภารกิจการทำมหากิจไว้หนึ่งวันหยุดภารกิจการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาความสุขทางใจกันความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทาน ความสุขที่เกิดจากการนักษาศีลความสุขที่เกิดจากการภาวนาที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดถึงแม่ร่างกายจะตายไปความสุขที่ได้จากการทำทานจากการนักษาศีล จากการภาวนาการปฏิบัติธรรมจะอยู่คู่ไปกับใจไปเรื่อยๆต่างกับสมบัติทางกายสมบัติทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจบูกลินกายเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็น เหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนอั น, นิจจังมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปพึ่งพาใสยความสุขจากราบยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเวลาที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปหมดไปใจก็จะตกอยู่ในสภาพที่เศร้าส้อยหงอยเหงาและก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าตามมาและอาจจะคิดฆ่าตัวตายตามมาต่อไปเพราะว่า เมื่อไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็อยู่ไปกับความเศร้าอยู่ไปกับความเหงาอยู่ไปกับความว้าเหวต่างๆจึงทำให้ไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไป เกิดวิภาวะตัณหาวิภาวะก็คือการไม่อยากอยู่การไม่อยากมีอยากเป็นอะไรต่อไปเพราะมันไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความสิ่นเศร้านี่คือภัยอันตรายของผู้ที่หาแต่ความสุข จากลาบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเพียงอย่างเดียวเวลาที่ลาบยศสารเสริญเวลาที่รูปสรรเสียงกลิ่นรสโผฏภะเสื่อมไปหมดไปก็ไม่รู้ไม่มีอะไรไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่แต่สำหรับผู้ที่ มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าควรที่จะหาความสุขอีกแบบหนึ่งไว้สําลองไว้ความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการทาบุญทาทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนา จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เกิดความเสื่อมทางลาบยศรเสร์ญความเสื่อมทางรูปเสียงกลิ่นลดผลทพ้าพไปเพราะยังจะมีความสุขของใจที่เกิดจากการทําบุญทําทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนา มาให้ความสุขต่อไปได้และเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมดเพราะว่าสามารถเพิ่มเติมได้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าใจก็เป็นของที่ไม่เสื่อมไม่หมดไม่ตายใจสามารถสร้างทานได้สร้างศีลได้สร้างการภาวนาได้ ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามจะรวยจะจนจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่หรือไม่แก่จะตายหรือไม่ตายใจนี้ยังสามารถที่จะมีความสุขจากการทำทาน จากการรักษาสิจากการภาวนาได้ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สามารถที่จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆถ้าเสื่อมก็ยังสามารถเพิ่มเติมได้ทุกเวลานาทีเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่น เช่นลาบยดสลรเสริญหรือรูปเสียงจิตลดผลตภะสิ่งที่จะสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาได้ก็คือความเพียรพยายามนี่เองความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความหมั่นเพียรสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาอยู่เรื่อย มันจะทำให้การสร้างฐานสร้างสิภาวนานี้เป็นไปได้โดยอัตโนมัติถ้ามีความเพียรทำอยู่เรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดของความสุข ของใจคือพระนิพพานถ้าทําทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะพาให้ใจได้ไปพบกับความสุขที่สูงสุดคือความสุขของพระนิพพา น, านที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพา น, านเป็นบรมสุข เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมในหัวใจและเป็นความสุขที่ไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อม mm hmm. เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้ว mm hmm. ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญทำทานรักษาสิงหรือภาวนาอีกต่อไป mm hmm. นี่แหละ mm hmm. เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานี้ก็เพื่อประกาศความสามารถความสุขของตนว่าสามารถสร้างสิ่งอะไรต่างๆขึ้นมาให้เห็นให้เห็นจนกระทั่งมีการจัดลำดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกปรากฏขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อย่างกำแพงเมืองจีนออหอคอยเอเไอฟเฟ ท, ออที่ฝังศพปิรามิดออของอะไรที่รู้สึกว่ามันใหญ่โตมาโหรานยิ่งใหญออ่แต่เมื่อพบมาเปรียบเทียบกับความสุขของพระนิพพานนี้ความยิ่งใหญ่ของสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของแค่ ของเล่นของเด็กๆไปเพราะว่าสิ่งมาส์ใจต่างๆในโลกนี้มันไม่สามารถที่จะให้ความสุขแบบจีรังถาวรได้อาจจะให้ความสุขตื่นตาตื่นใจเวลาที่ได้ไปเห็นได้ไปพบมนุษย์เราจึงต้องไปเที่ยวกันไปดูสารที่ต่างๆเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับ ผู้ที่ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ใจต่างๆแต่มันก็เป็นความสุขเชื่อประเดียวประดาเท่านั้นเชื่อขณะที่ได้พบได้เห็นพอหลังจากนั้น้วมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ถ้างกายได้สัมผัสแล้วนี่จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่สุด แล้วก็จะไม่มีวันจากไม่มีวันหมดไปจากใจจะดำรงคู่อยู่กับใจไปตลอดอนันตการและเป็นความสุขที่จะทำให้จิตไม่ต้องกลับมาหาความสุขในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรถึงแม้ว่าจะได้กลับมาเกิดดีเกิดรวยเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ขนาดไหนก็ตามก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ของการเกิดว่าเมื่อเกิดแล้วย่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าได้มาเกิดแล้วจะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เจอความตายไปในที่สุด อันนี้แหละสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดียวประดาได้ไปเที่ยวไปดูกำแพงเมืองจีนไปดูปีละมตดไปดูหอไอเฟลเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสนุกไปวันสองวันเดี๋ยวก็อยากกลับบ้านแล้ะ ที่ไหนก็สู้อยู่บ้านเราไม่ได้กลับมาบ้านกินนอนอย่างสุขอย่างสบายแต่ความสุขที่บ้านก็เป็นความสุขชั่วคราวอีงเหมือนกันพอกลับมากินนอนสุขสบายได้ไปสักพักนึง่งความสุขหายไปแล้วต้องออกไปเที่ยวใหม่แนละต้องมาหาที่เที่ยวใหม่ก็เป็นความสุขที่หลอกใจให้วิ่งหาอยู่เรื่อย เหมือนการตะครุบเงาลองไล่ตะครุบเงาของเราดูเลยดูซิว่าจะจับเงามันได้ไหยเงามันทอดไปข้างหน้าเรานะสีสะเราอยู่ข้างหน้าเนะงาสีรษะลองเดินไปจับมันดูเลยพอเดินไปจับมันอ้าวมันเลื่อนไปข้างหน้าอีกนะพอเดินไล่ไปมันก็ไปนะอันนี้แหละคือ <c oughs> ความสุขทางโลกความสุขที่ชาวโลก กำลังหากันอยู่อย่างวันนี้ชาวโลกส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักเรื่องของวันพระที่ไม่รู้ว่าวันพระนี้มีไว้ทาไหมก็จะไม่มีความสนใจสนใจแต่จะไปทำงานเพื่อจะได้หาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ พอได้เงินเดือนมาก็ไปใช้จ่ายกันใช้จ่ายหาความสุขกันใช้หมดความสุขก็หมดไปกับเงินทองพอเงินหมดสุขก็หมดทุกก็เข้ามาแทนที่ทุ ก, ก็คือทุกต้องไปทํามาหากินใหม่ไปหาเงินหาทองใหม่หากันไปอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมา หาไปจนวันตายมันก็ต้องหากันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยถ้ามีความมีทรัพสมบัติมีอะไรหลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถใช้เป็นที่พึ่งอีกต่อไปได้ไม่สามารถให้อาศัยสิ่งต่างๆทรัพสมบัติต่างๆ ให้ความสุขกับใจได้เลยเพราะเป็นสมบัติเป็นสมบัติของของโลกนี้สมบัติคู่กับร่างกายไม่ใช่เป็นสมบัติของใจพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการกำหนดวันพระขึ้นมาอย่างน้อยก็วันหนึ่งก่อนแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คืออยากจะให้มาทำงานทางการหาความสุขทางใจ แบบทุกวันเลยถ้าเป็นไปได้แต่ระยะแรกๆนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีข้อผูกพันอะไรต่างๆที่จะไม่สามารถที่จะตัดไปได้ทันทีทันใดก็ให้ลองหยุดสักวันหนึ่งมาชิมรางมาทดสอบความสุข ทางใจกันอยู่บ้างว่าเป็นอย่างไรถ้าได้มาทำกันอย่างจริงจังไม่ใช่ทำาพแค่หอมปากหอมคอเช่นวันนี้วันพระเราต้องเริ่มการปฏิบัติทานศีลภาวนาตั้งแต่สว่างเลยโบราณนี่เรานับเวลาของวันจากตอนที่พระทิศขึ้นพอเป็นอรุณ ได้อรุณคือได้แสงสว่างก็ถือว่าเป็นวันใหม่วันใหม่ของวันนี้วันนี้วันพระรหัสเริ่มต้นประมาณหกโมงเช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะไปจบลงในวันพรุ่งนี้ตอนที่อาทิตย์ขึ้นของวันใหม่ต่อไปเราเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอันนี้แหละเป็นเวลาของวันพระที่เราควรที่จะเอามาใช้ ให้อย่างเต็มที่เลยอย่าไปทำกิจอย่างอื่นเลยวันวัน น, น, นี้วันพระเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เอาการภาวนาก่อนเล ย, ยเจริญสติลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเลื่อยเปลื่อยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิก่นรสโผฏพพชชนิดต่างๆมาเสพ คอยควบคุมบังคับคอยห้ามมันด้วยการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวไปต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ทำไปแต่ใจก็พุทโธไปใจต้องคุมไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้า จะใช้การเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้ร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมๆกันให้อยู่ ก, กับการทำงานของร่างกายก็ได้ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ เนือให้อยู่กับทั้งสองอย่างพร้อมกันไปก็ได้พุทธโธไปแล้วก็ทำงานทำการไปด้วยก็ได้ก็สำคัญก็อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องสุขทังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายทําอะไรก็ทําไปกับร่างกายหรือพุโทโธไปกับการทํางานของร่างกายไปอย่าคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็พอมีพอมีเวลาว่างเช่น เกิดขึ้นมาก็อาจจะเข้าห้องน้ำก่อนทำธุรกิจอะไรก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิต่อ<ม>นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้<ม>ทามันไปอย่างนี้<ม>จนกว่าใจจะนิ่งใจจะสงบ<ม>ก็หยุดบริกรรมได้หยุดดูลมได้ ถ้าใจหยุดคิดใจนิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขที่เกิดจากความสงบตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรพยายามควบคุมความนิ่งนี้ให้นิ่งไปให้นานๆถ้าเกิดความคิดขึ้นมาคิดอยากจะลุกไปทํานูน่ทนทํานี่ก็อย่าเพิ่งลุกพยายามให้นั่งให้มันนิ่งต่อไป เพราะความนิ่งนี่ความสงบนี่มันเป็นความสุขที่ดีที่สุดดีกว่าการไปทำอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงห้นั่งไปนานๆถ้ามันนิ่งมันสงบแล้วจะไม่รู้สึกทรมานจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ต, ต่างร่างกายต่างๆอย่าไปนึกคิดว่าต้องไปทำนู่นต้องไปทานี่ยังไม่ต้องทำอะไรก็ำํำอะไรก็ตามที่ต้องทำ มันไม่จำเป็นเท่ากับการให้มันให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆถ้าถึงความนิ่งความเฉยแล้วพยายามประครับประคองมันให้นิ่งให้เฉยไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะมันจะเชิดไปหาความสุขปลอมนั่นเองยิดไปหาความสุขจาก การดื่มการกินการดูการฟังอะไรต่างๆถ้าไม่ให้มันคิดมันก็จะอยู่กับความนิ่งความสงบแล้วมันก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความสบายนี่คือการเจริญสติเพื่อให้มานั่งสมาธิกันถ้ามีสติแล้วใจจะสงบได้ไ ม, ไม่ยากเดียวๆถ้ามีสติต่อเนื่องที่เรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะ คือสติที่ไม่เผลอสติที่ต่อเนื่องได้สักห้านาทีเท่านั้นน่ะหนาทีสิบนาทีใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้จะนิ่งสงบจะสบายมีความสุขตอนนั้นจะไม่อยากลุกไปทำอะไรนอกจากว่าเวลาใจเริ่มคิดเทน่นัะพอเริ่มคิดกิเลสมันก็จะหลอกให้คิดไปทำนูน่นทำนี่นะ ถ้าสามารถหยุดความคิดได้ควบคุมความคิดได้ต่อไปก็ทําต่อไปก่อนสู้กับมันสู้กับความคิดสู้กับกิเลสกิเลสอยากจะลุกเราไม่อยากจะลุกเพราะเรารู้ว่าเวลาลุกจากสมาธิแล้วต้องไปเจอของที่วุ่นวายใจเหมือนกับเวลาอยู่ในห้องปรับประกาศในเชื่องฤดูร้อนนี่ไม่อยากจะออกข้างไปนอกห้องหรอก ก็รู้ว่าข้างนอกห้องมันร้อนออกไปแล้วมันร้อนอยู่ในห้องมันเย็นสมาธินี้เป็นเหมือนห้องเย็นของใจเอาใจเข้าห้องเย็นแล้วใจก็อยากไม่อยากจะออกนอกจากเวลาเผลอสติแล้วปล่อยให้กิเลสมันมาหลอกเท่านั้นกินเลมันก็จะหลอกให้ไปทำนู่นให้ไปทำนี่ให้ไปดูนั่นให้ไปฟังนี่ให้ไปกินให้ไปกินให้ไปดืน่น ถ้ามีปัญญาก็ย้อนมันนะมันเป็นความสุขที่ไหนเป็นความสุขปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขเชื่อขณะที่ได้สัมผัสขณะที่ได้ดูได้ยินได้ฟังได้กินได้ดื่มทั้งนั้นเองพอผ่านไปแล้วก็หายไปซูอาความสุขแบบที่ได้ในสมาธินี้ดีกว่าทำให้มากๆทำให้บ่อยๆต่อไปมันจะชำนาน แล้วมันจะเข้าในสมาธิได้ง่ายได้อยู่ได้นานแล้วต่อไปมันก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเวลาต้องการมีความสุขเวลาที่รู้สึกว่าขาดความสุขก็กลับเข้าไปในสมาธิฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปจะไม่อยากจะไปทํางานนะเพราะเมื่อเห็นผลที่ได้จากการทํางานกับผลที่ได้จากการปฏิบัติภาวนานี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเป็นเงินเดือนก็เป็นเหมือนเงินเดือนเดือนละแสนกับเงินเดือนเดือนละร้อยล้านเนี่ยใครอยากจะกลับไปทํางานเดือนละแสนถ้ามีเงินเดือนเดือนละร้อยล้านให้ ให้ทําความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมนเงินเดือนเดือนละร้อยล้านความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี่เป็นเหมือนมัเนเป็นเหมือนเงินเดือนเดือนละแสนเท่านั้นเองอันนี้แหละที่จะเป็นตัวดึงดูดให้อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ตานต้นก็เอาแค่อธิตละวันก่อนพอได้สัมผัสกับความสุขจากการทำทานรักษาศีลภาวนานะทีนี้ก็อยากจะทำอยากจะมีเวลาทำให้มากขึ้นก็จะต้องหาช่องทางนะว่าทำยังไงดีที่จะได้ลดเวลาการทำงานลงก็อาจจะขอเปลี่ยนงานหรือหาขอลดขอลดค่า เงินเดือนลงก็ได้เพื่อที่แรกกับเวลาว่างจากการทำงานตามที่จะทำงานห้าวันต่ออาทิตย์ก็ลดเหลือสี่วันหรือสามวันถ้าถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนงานก็ได้หางานที่เราสามารถเลือกเวลาทำได้เช่นงานที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาเป็นเจ้าของกิจการเองเช่น ขายอะไรรับซื้อของมาขายขายเครื่องสำางขายประกันนึกขายอะไรต่างๆถ้าเรายังต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอยู่เราก็หางานที่เราสามารถหาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นต้องลดเวลาการทำงานลงในเมื่อ ร, รู้แล้วว่า การทำงานนี้ที่แท้จริงก็เพื่อที่จะหารายได้มาเยียวยาร่างกายของเราเท่านั้นเองเรายังต้องเลี้ยงดูร่างกายนี้อยู่ร่างกายยังต้องมีปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราต้องทำงานเราก็ทำงานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ถ้าเราทำงานเพื่อปัจจัยสีน่นี้มันก็ไม่ต้องใช้เงินทองมาก สาเหตุที่เราใช้เงินทองมากนั่นเพราะว่าเราไปใช้กับกิเลสเยอะมากกว่าใช้กับความโลภใช้กับความอยากต่างๆอยากได้ของหรูหราอยากจะได้ของแพงๆอยากจะได้ของสวยๆงามๆอยากจะได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไอ้ตัวนี้ต่างหาที่ทาให้เราต้องใช้เงินทองมากแต่ถ้าเรา ใช้เพื่อร่างกายและใช้ตามหลักที่ร่างกายต้องการร่างกายนี้ต้องการแบบมากน้อยสันโดษมันก็อยู่ได้ของไม่ไม่ต้องแพงไม่ต้องมากเกินเกินความต้องการของร่างกายอาหารนี้แพงหรือถูกมันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินแล้วมันก็ทำหน้าที่ของอาหารได้เท่าๆกันถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติจะรู้จัก แยกแยะว่าควรที่จะเสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากน้อยเพียงไรเพราะว่าจะต้องการเอาเวลาให้ได้มากที่สุดมาให้กับการปฏิบัติมาสร้างความสุขทางใจความสุขที่แท้จริงก็พยายามจะลดค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูร่างกายลงให้มากที่สุด โดยอาศัยดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอาหันตสาวกทั้งหลายว่าท่านกินอยู่กันอย่างไรท่านอยู่กินอยู่กันแบบหรูหรากินอยู่กันแบบพุ่มเฟือยกินอยู่กับแบบของแพงๆหรืท่านกินอยู่แบบนอนกระดินกินกระส่ายพระอริยะเจ้าที่เรากล่าวไหว้บูชา ที่มหาเศรษฐีพระมาพระราชาหากระสากรบวชบูชานี้ท่านกับอยู่เหมือนขอทานท่านอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพราะท่านรู้ว่าการอยู่แบบหรูหราการอยู่แบบพุม่มเฟือยนี้มันเป็นการอยู่แบบกิเลสต่างหาเป็นการอยู่กับความทุกข์โดยมนรู้สึกตัวเพราะมันจะต้องใช้เงินทองมาก จะต้องใช้เวลาให้กับการหาเงินหาทองเมื่อทำงานหาเงินหาทองก็จะต้องเจอปัญหาต่างๆเจออุปสรรคต่างๆเจอความเครียดต่างๆท่านถึงเลือกทางกินอยู่แบบที่มันมีอุปสรรคมีความเครียดมีปัญหาน้อยที่สุดก็คือคมักน้อย เอาเท่าที่จําเป็นเช่นอาหารก็ขอขอแค่วันละมื้อเท่านั้นเอแล้วก็ไม่จู้จี้จิกๆว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าคนให้เขากินได้เขากินอะไรได้เขาให้เรามาเราก็กินได้เหมือนกันอาหารที่เขาให้มาไม่จําเป็นที่เราต้องไปเรียกว่าเรากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นะเวลาไปบินธบาะเขียนเมนูไว้ติดฝาบะมว้ ใครจะใส่บาตรนี่โยมอ่านเมนูก่อนนะไม่มีหรอกใช่ไหมท่านก็เดินไปเปิดฝาบาตรไปใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปกลับมาวัดท่านก็หยิบสิ่งที่ท่านอพอฉันได้หยิบเอามาฉันอแล้วก็ฉันแค่มื้อเดียวก็พออร่างกายมันต้องการแค่อาหารแค่มื้อเดียวเท่านั้นต่อวันไม่จําเป็นจะต้องกิน สี่ห้ามือ้อห้าหกมือ้อบางคนกินทั้งวันทั้งคืนพอปากว่างนะปั๊บเดี๋ยวกินอีก้ะหาอะไรไม่ไม่กินก็ดื่มกินอยู่นั่นดื่มอยู่นั่นจนกลายเป็นลูกปองลูกปองพองเนะี่ยมีการยุคการกินอยู่แบบไม่มีความหลักมักน้อยสันโดษกินตามความอยาก กินู่กระทั่งกายเป็นตุ่มกันไปแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปโทษโครคภัยไข้เจ็บไม่ได้ไปโทษคนกินคนกินนี่แหละมันเป็นตัวไปสร้างโาครคภัยไข้เจ็บขึน้นมากินมากน้ําหนักเกินน้ำตาลมากไขมันมากเกลือมาก กินของเค็มมากๆ ก, ก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงกินน้ำตาลมากก็เกิดเบาหวานกินไขมันมากก็เกิดไขมันอุดตันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรต่างๆนี่เป็นโรคที่เกิดจากการกินนันสมัยก่อนยุคที่ไม่มีความเจริญทางด้านการกินการอยู่นี่โรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ไม่ค่อยมีสมัยก่อนนี่หาดูหต หาคนอ้วนดูได้ยากมีแต่คนผอมๆทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรกินมากมากไม่เหมือนสมนัยนี้ร้านอาหารเต็มไปหมดเดินไปแทบทุกแห่งทุกคนมีร้านอาหารเต็มไปหมดสมัยก่อนนี่ร้านอาหารไม่ค่อยมีต้องซื้อมาทํากินกันเองนะอันนี้เป็นเพราะเนี่ยกินอยู่แบบไม่มีธรรมะเป็นผู้คอย กำกัดนะธรรมะ ก, ก็คือเหตุผลความต้องการของร่างกายต้องการร่างกายต้องการเพียงใดก็ให้มันเพียงนั้นก็พออย่าให้มันมากมันไม่ยินดีหรอกร่างกายให้มันอ้วนมันอยากอ้วนที่ไหนลนะ่ะกินแล้วก็อ้วนกันแล้วก็ต้องไปเสียเงินรีบน้าหนักกันเีงลดน้าหนักกันเองกกเองพราะไม่รู้จักห้ามปามกิเลสความอยากกิน หาความสุขจากการกินหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วของอาหารเนี่ยมันเป็นการหาความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปแสวงหาความสุขทางร่างกายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้หลักมากน้อยสันโดษน้อยก็คือเอาเท่าที่จาเป็นนนมีเท่าที่จาเป็นเสื้อผ้าจาเป็นต้องมีเต็มตู้ไหมมี สามสี่ตู้ไหมร่างกายมันมีแค่ร่างเดียวเวลามันใส่มันใส่เสื้อผ้าทีทั้งตู้ก่บมันก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าสอนให้พระถือผ้าสามผืนก็พอหนึ่งสหรับหนึ่งชุดเนี่ยมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเวลาที่เกิดอากาศหนาวจะได้มีผ้าห่มกันหนาว แต่เมื่อก่อนนี้แรกๆในสมัยพุทธการที่เริ่มต้นประกาศพระศาสนานี้พระสงฆ์มีผ้าแค่สองผืนนะมีผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มจีวร อ, อีกหนึ่งผืนนี่ก็พอแล้วอยู่ได้แล้วแต่ต่อมาก็มีพระที่มาบวชที่มีจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่เหมือนพระยุคแรกๆพระยุคแรกๆนี้ส่วนใหญ่เป็นพระอารหันต์กันพระอารหันตนี้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งที่ไม่ค่อยสะทกสะท้านกับอากาศที่หนาวหนาวเย็นท่านมีสมาธิสามารถสู้กับความหนาวเย็นของร่างกายได้ด้วยการเข้าสมาธิกันท่านก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนกับอากาศหนาวเย็น แต่ต่อมาเมื่อศาสนามีความเจริญมีคนรู้จักมากก็มีคนมีศรัทธาที่อยากจะมาบวชมาปฏิบัติกันแต่พวกนี้เป็นพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จิตใจยังไม่เข้มแข็งมากพอพอไปเจออากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวนี่ก็เกิดความทุกข์ทรมานจึงต้องมาขอพระพุทธเจ้าให้ช่วยพิจารณา ให้อนุญาตให้ใช้ผ้าเพิ่มขึ้นจากสองผืนให้พิจารณาเรื่องผ้าห่มกันหนาวพระพุทธเจ้าก็เลยใช้วิธีพิสูจน์ด้วยพระ อ, องค์เองเจ่นยามหัวค่ำตั้งแต่หโมงถึงสี่ทุ่มพระองค์ก็ห่มจีวรผืนหนึ่งพอถึงเวลาสี่ทุ่มก็รู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นมันมันเริ่มทะลุเข้ามาจากเข้ามาในผ้าแล้ว พอมาถึงเมื้อละก็เลยเอาผ้าห่มขึ้นมาซ้อนอีกชั้นหนึ่ง อ, อีกผืนหนึ่งเป็นสองผืนก็นั่งจากสี่ทุ่มไปถึงตีสองพอตีสองนี้อเริ่มมีอากาศรู้สึกหนาวมากเข้ามาเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่าต้องเพิ่มอีกผืนหนึ่งก็เลยห่มสามผืนจนถึงสว่างจากตีสองถึงหกโมงเช้าก็ห่ม สามผืนด้วยกันก็เลยเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีผ้าห่มอีกสองผืนแต่เนื่องจากว่าจรงไม่อยากจะให้มันพลุงพลังก็เลยให้เย็บเป็นผ้าผืนเดียวกันแต่เป็นผ้าสองชั้นเอาผ้าสองผืนมาเย็บประกบกันผ้าที่เรียวกว่าผ้าสังขาติผ้าที่ศรัทธา ญ, ญาดโยมเห็นพระพาดไว้บญบาเนี่ย คือเป็นผ้าผืนที่สามผืนที่จะใช้แต่เฉพาะเวลาช่วงฤดูหนาวเวลานอนหลับเนี่ยแต่สมัยนี้ท่านก็นิยมเอามาพาดไหลแต่ความจริงมีไว้เพื่อข่มกันหนาวเวลาที่เกิดอากาศหนาวเย็นถ้าเราจะไม่นิยมใช้ผ้าห่มใช้อะไรต่างๆแบบที่คารวะญาติโยมใช้ไม่ใช่ไม่นิยมใช้ที่นอนไม่นิยมใช้หมอนใช้อะไรต่างๆ ท่านนอนกับพื้นพื้นอาจจะมีผ้าปูผ้าปูนอนท่านั่นเองหมอนท่านก็ไม่มีกันอันนี้ท่านอยู่กันแบบสันโดษจริงๆเพราะยุคแรกๆนั้นท่านอยู่กันแบบแบบทุดดงคือมีการเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆยุคใหม่ๆนี้ไม่มีวัดอยู่กันไม่มีกุเติอยู่กันตามโคนไม้อยู่กันตาม ตามถ้ำตามเงื้อมผาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพื่อหาที่ที่สงบหาที่ท้าทายต่อสติปัญญาอยู่บางที่มันยังไม่น่ากลัวไม่ไม่หวาดเสียวพอก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวเพื่อที่จะได้กระตุ้นปัญญาให้มาสู้กับความกลัวถ้าอยู่ที่มันไม่น่ากลัวความกลัวมันก็ไม่ผอมมา เมื่อความกลัวไม่ผล่มันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อดับความกลัวพระที่ทำการปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวนี่ท่านจึงมักจะต้องไปหาที่เปลี่ยวๆหาที่ท้าทายต่อความเป็นความตายถ้าไปอยู่ที่ไหนสักระยะแล้วรู้สึกว่ามันไม่กลัวแนละ้วก็ต้องมีการเปลี่ยนที่ใหม่ ไปหาที่ที่มันรู้สึกน่ากลัวเพราะเวลาไปอยู่ที่ใหม่ๆมันไม่เคยชินมันไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมันก็จะทำให้เกิดความระมัดระวังความการที่ไปอยู่ความที่น่ากลัวนี่มันช่วยทำให้บังคับให้จิตต้องเจริญสติความระมัดระวังนี<_<_<_่แหละก็คือการเจริญสติอย่าทำอะไรแบบใจลอยไม่ได้ จะทําอะไรต้องคอยระมัดระวังเวลาเดินไปข้างหน้านี้ก็ต้องคอยระมัดระวังว่าจะเดินไปเจออะไรหรือไม่ไม่เดินแบบไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าเดินไปบางทีชนกันเตะกันเหยียบเท้ากันเพราะมัวแต่ไปดูสินค้าที่เขาโชว์ในในร้านกันแต่ถ้าเดินในป่านี้จะเดินแบบมีความระมัดระวังมีสติอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติก็ชอบไปอยู่ในที่น่ากลัวเพราะมันจะบังคับให้ต้องคอยเจริญสติอยู่เรื่อยเมื่อได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ เ, เวลานั่งสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายสงบได้เร็วและสงบได้นานอันนี้แหละประโยชน์ของการอยู่ป่าของการที่อยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นสติกระตุ้นปัญญาปัญญาก็คือถ้าไปอยู่ที่น่ากลัวนี้ถ้าถ้าจะดับความน่ากลัวให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องพิจารณาความตายว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม อยู่ที่ปลอดภัยและอยู่ที่ไม่ปลอดภัยถึงเวลามันจะตายมันก็ตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากตายมันก็จะเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากกลัวก็ต้องยอมตายพอยอมตายได้เท่านั้นเองความทุกข์ความกลัวจะหายไปจากใจแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีความกลัวตายต่อไป จะไปอยู่ที่น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวอยู่ที่ไหนนี่จะความกลัวตายมันจะหายไปหมดเลยเพราะว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาถึงความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยมอันนี้จังเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่แบบอยู่แบบมีรอปภ ร, รักษา ตลอดีส4ชั่วโมงถ้าถึงเวลามันจะตายเราพอก็ช่วยไม่ได้เาะฉนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกําจัดความกลัวตายกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากความตายนี้จาเป็นที่จะต้องไปหาที่มันกระตุ้นความกลัวตายให้เกิดขึ้นไปอยู่ที่มันที่มันเสียงเป็นเสียงตาย แล้วก็เวลาเกิดความกลัวจะได้ใช้ปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้นี้ต้องใช้สติให้เป็นก่อนให้ได้ก่อนถ้ายังใช้สติไม่ได้นี้มันจะไม่มีกระจิตกระใ จ, จะเจริญปัญญาเวลาเจอความกลัวเจอความกลัวใจจะกระเจงิงใจจะตื่นเต้นตกใจจนกระทั่งไม่รู้จะคิดว่าจะทำอะไร วิธีขั้นตอนแรกในการสู้กับความกลัวกําจัดความกลัวนี้ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือก่อนเป็นวิธีแรกก่อนเพียงแต่ว่าการใช้สตินี้มันสามารถระ ง, งับความกลัวได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันจะไม่ทําให้ระ ง, งับความกลัวได้อย่างทาวรเหมือนกับปัญญาแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าปัญญามาก เบื้องต้นนี้ผู้ที่ต้องการที่จะไปสู้กับความกลัวไปกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายต้องใช้การเจริญสติก่อนเวลาไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความกลัวจนกระังใจเริ่ม เ, เกิดความควัหวั่นไหว เ, เกิดความ อ, าอกสานขวัญแข ว, น ข, วนขึ้นมา ตอนนั้นต้องมีสติมาระ ง, งับมันให้ได้ เ, เจอความพอเกิดความกลัวปุ๊บนี่ต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือจะสวดอิติปิโสไปก็ได้สวดไปเรื่อยๆอย่าส่งอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้กลัวอย่าไปคิดถึงเสียงอย่าไปคิดถึงอะไรที่เห็นที่คิดว่าจะมาทําให้เราตายได้ตัง น, นั้นหลับตาไปเลยพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป ไปพุทโธทำโมสังโคไปหรือสวดเอติปิโสไปก็ได้อันนี้เป็นอุบายของสตินะเพื่อถ้าเราสวดไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเราลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัวความกลัวก็จะหายไปใจก็กลับมาสงบนิ่งเป็นสมาธิได้เนี่ยคนที่ไปคนที่ชอบไปอยู่ที่หน้ากลัวเพราะว่ามันจะทําให้เวลาปฏิบัติเนี่ยมันมันได้ผลเร็ว แต่ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยอย่างอยู่ที่บ้านนี้นั่งยังไงมันก็สติมันก็ไม่มาเพราะมันไม่มีอะไรบังคับให้ให้สติมาไงเพราะว่ามันไม่มีภัยอยู่ที่บ้านปลอดภัยไม่มีความทุกข์อยู่บ้านเปิดแอร์อยู่อย่างเย็นสบายมันก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใจจะต้องสร้างสติขึ้นมารักษาใจแต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่ที่ ที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆนี้มันจะต้องกระตุ้นให้ใจต้องมีสติคอยควบคุมความกลัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าขาดสติแล้วมันจะเริ่มกลัวพอเริ่มกลัวมากๆมันจะทนอยู่ไม่ได้ไปอยู่ได้เดี๋ยวๆกลับบ้านดีกว่ากลับวัดดีกว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่สามารถเจราสติเพื่อมารังับดับความกลัวได้ จึงต้องขยันจรญสติเวลาที่เราไปอยู่ตามที่เปลี่ยวเปลี่ยวอยู่ไปตามที่น่ากลัวอย่าอยู่เฉยเฉยอย่านั่งอยู่เฉยเฉยถ้าอย่าอยู่เฉยเฉยทำอะไรปล่อยให้ใจคิดเรืเ่อยเปือ่อยไปเพราะเดี๋ยวเกิดเวลามีภัยเข้ามาคุกคามนี้จะไม่มีอะไรรับกับเหตุการณ์ได้ต้องพยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดให้ใจอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายโดยอยู่กับพุทธโธไปเดินจงกรมก็มีสตินั่งสมาธิก็มีสติแล้วถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาอาจจะมีสิงสารสัตว์สัตว์เลื้อคานเลื้อยผ่านเข้ามาพอเกิดความกลัวขึ้นมาจะได้ใช้สตินั ง, งับความกลัวได้เบื้องต้นต้องใช้สติก่อน พอเจออะไรที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมารีบ ด, ดึงใจกลับเข้ามาข้างในอย่าไปรับรู้เรื่องที่ทำให้เรากลัวหลับตาได้ก็หลับตาไปพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือพุทโธธรรมูมสังโฆพุทโธธรรมูสังโฆหรือสวดอิติปิโสไปทำอะไรได้ก็ทำไปแต่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าไปคิดมันจะยิ่งกลัวใหญ่แล้วมันจะทนไม่ไหว เดี๋ยวมันก็จะตตลดิดเปิดเพิ่มเียันต้องควบคุมใจให้นิ่งให้สง บ, บด้วยสตินี่เบื้องต้นขั้นแรกของการเวลาประเชิญภัยต่างๆแล้วเรายัางไม่มีสติเราต้องใช้สติเป็นเครื่องมือก่อนสร้างสติขึ้นมาให้ได้พอเราได้สติแล้วทีนี้เราจะมีความมั่นใจว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆนี้เราจะสามารถที่จะ ผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยมันก็จะทําทให้ใจมีความกล้าหาญก็าอาจจะอยากจะไปทดสอบสถานที่ที่มันกลัวกว่านี้ที่มันน่ากลัวกว่านี้ก็ได้ได้อาจจะอยากจะใช้อุบายของปัญญาขั้นต่อไปเพราะถ้าใช้อุบายของปัญญาได้สามารถระงับความกลัวตายได้ด้วยปัญญานี้มันจะกําจัดความกลัวได้อย่างถาวรเลยจะไม่ต้องกลับมาคอย พุทโธพุทโธอีกต่อไปด้วยการพิจารณาเวลาเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าอาจจะทําให้ร่างกายนี้ตายไปได้ก็ให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันห้ามมันได้หรือไม่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมสั่งให้มันไม่ตายได้ไหมมันเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตามันอยู่ภายใต้คําสั่งของเราหรือไม่พระเจ้าบอกมันไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่เราสั่งไม่ได้ สั่งให้ไม่ตายไม่ได้สั่งให้ไม่แก่ไม่ได้สั่งให้ไม่เจ็บไม่ได้เวลามันจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไป die, iver, <ๆ>อยากไม่ให้มันตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความไม่อยากตายก็ทำให้เกิดความกลัวตายขึ้นมานั่นเองที่กลัวตายเพราะยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายยังมีภาวะตัณหาอยากอยู่ มีวิภาวะตัณหาอยากไม่ตายอยูน่นี่ต้องมากําจัดไอตัวความอยากอ ย, กอยู่ความอยากไม่ตายนี้ด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงของที่จะต้องมีเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดเนี่ยแล้วก็ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายนี้จะทุกข์จะกลัวมากถ้ายอมปล่อยให้มันตายมันจะหายกลัวหายทุกข์ พอปล่อยได้ปั๊บยอมตายปั๊บเท่านั้นเองความกลัวตายก็หายไปหมดจากใจแล้วมันจะหายแบบถาวรเลยหายแบบไม่กลับมาอีกต่อไปเรื่องของความกลัวตายนี้หลังจากนั้นแล้วไม่ไม่เดือดร้อนจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนแห่งไรอย่างไรตายแบบไหนตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยอาวุธหรือตายด้วยอะไรก็ตาม มันจะไม่สะทกสะท้านอีกต่อไปเพราะมันรับความจริงได้มันเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายมันเห็นว่าร่างกายนี้มันทํำยังไงก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะตายแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความกลัวความทุกข์ด้วยการยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายเป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้แหละถ้าเราไปถึงขั้นปัญญาได้ความกลัวตายนี่จะหมดไปเพราะเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วร่างกายจะเป็นจะตายนี่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราเราไปควบคุมมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เราดูแลมันได้ในระดับหนึ่งเช่นเราให้มันกินข้าวได้หายใจให้มันได้แต่ถึงเวลาถ้ามันไม่กินข้าวก็บังคับมันไม่ได้เหมือนกัน ถึงเวลาที่มันจะไม่หายใจก็บังคับมันไม่ได้เหมือนกันดันั้นเราต้องต้องใช้ปัญญาต้องมีปัญญาต้องเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายแล้วมันก็จะทำให้เรานี่อปล่อยวางร่างกายพอปล่อยวางร่างกายได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ทุกข์กับมันแล้วไม่ทุกกับความตายส่วนความเจ็บนี้เราก็ต้องมา พิจารณาความเจ็บอีกต้องหาต้องหาเหตุที่ทําให้ร่างกายมันเจ็บเวลาร่างกายมันเจ็บอาจจะเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บบางทีเวลาเป็นไข้บางทีไข้ขึ้นนี่มีอาการปวดร้อนแล้วไปทั่วสะพางกายมีไข้ขึ้นนี่เรียกว่ามีทุกขเวทนานะเราก็ต้องใช้ปัญญา พิจารณาว่ามันก็เป็นตายรักเหมือนกันเวทนาเวทนามันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เที่ยงมันไม่ทุกไปตลอดเวลามันไม่สุขไปตลอดเวลามันสลับกันไปเดี๋ยวก็สุขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันเป็นเหมือนดินฟ้ากับเหมือนเหมือนฤดูการที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันมีแต่ สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดไม่ได้เหมือนกับเราไปห้ามฤดูทั้งสามฤดูนี้ไม่ให้มันเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันมีแต่ฤดูหนาวเพียงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวจากฤดูหนาวมันก็จะกลายเป็นฤดูร้อนจากฤดูร้อนมันก็จะกลายเป็นฤดูฝนมันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาที่เกิดจากร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนไปตาม ตามเหตุตามปัจจัยของมันบางทีเราก็เราก็แก้ได้เราก็แก้ไปเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาจากการหิวอาหารเวลาหิวข้าวนี่ก็เป็นทุกขเวทนาอย่างนี้อันนี้เราก็ยังพอที่จะแก้ได้เราก็แก้ไปด้วยการกินอาหารพอกินอาหารอิ่มมันก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาแทนที่ส่วนเวลาที่ไม่หิวเวลาที่ไม่อิ่มมันก็มี ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แต่เวลาที่มันเจอทุกขเวทนาแบบที่สั่งให้มันหายไม่ได้ทำให้มันหายไม่ได้นีตอนนั้นน่ะต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมโอสถมาพิจารณาเวทนาเหมือนกับพิจารณาร่างกายร่างกายไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาก็ไม่เที่ยงอย่นั้นเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีก็ทุกข์บางทีก็สุขบางทีก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเวลาเกิดขึ้นจะให้มันหายไปก็ไม่หายเราจะทํำยังไงถ้ามันไม่หายถ้าถ้าอยากจะให้มันหายแล้วมันไม่หายมันก็ทําก็สร้างความทุกข์ให้สร้างความกลัวเกิดขึ้นกลัวความเจ็บเราก็ต้องพิจารณาแบบเดียวกับร่างกายว่ามันก็เป็นเหมือนกับร่างกายร่างกายมันก็ต้องตายเวทนาทุกขเวทนามันก็ต้องเกิด เวลามันเกิดก็จะไปห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมยอมให้มันเกิดมันเป็นอนัตตาไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันจะทุกข์ก็ต้องให้มันทุกข์ไปแต่ใจเรายอมยอมอยู่กับความทุกข์เหมือนกับยอมอยู่กับความตายพอยอมอยู่กับความทุกข์ได้รับรับรับความทุกข์ได้ความทุกข์ความความทุกข์ที่เกิดจากทุกเขเวทนาก็จะไม่เกิด ความกลัวเวทนาก็จะหายไปความกลัวทุกขเวทนาก็จะหายไปเพราะรู้ว่าอยู่กับมันได้ไม่ไม่เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็เป็นอาการที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ไปสั่งมันให้ดับไปเมื่อไหร่ไม่ได้ถึงเวลามันจะดับมันก็ดับถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ดับก็ต้องทาใจให้อยู่กับมันไปด้วยการยอมรับมันเหมือนกับยอมรับความตายนะนี่ นี่คือการใช้ปัญญาพิจรณาเวทนาทุกขเวทนาว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยง ม, มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหรือ ม, มันอาจจะอยู่ไปสักระยะหนึ่งหรือนานหน่อยหรือแล้วแต่มันแล้วแต่เหตุตามปัจจัยแต่เราไปสั่งมันไม่ได้ให้มันหายไปไม่ได้มันอยู่ก็ต้องยอมให้มันอยู่ไปยอมรับมันยอมอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้ถ้าใจยอมอยู่กับทุกขเวทนาได้ ใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาใจก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้ต่อไปปัญหาเรื่องทางร่างกายที่เกี่ยวกับความตายก็ดีเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีนี้จะไม่ทําให้ใจเดือดร้อนเลยจะติดโควิดจะติดมาลาเรียจะติดอะไรก็ตามมียากินหรือไม่มีกินนี่ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะมีธรรมโอสถมีธรรมคือปัญญา มีสติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความเจ็บป่วยของทางร่างกายได้อยู่กับมันไปอย่างมากมันก็แค่ตายถ้ามถึงเวลามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้นี่แหละคือวิธีการการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เขาตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กันเช่นนักบวชสมัยพุทธกาลนี้เขาจึงไม่ค่อยมากังวลกับเรื่องที่อยู่ที่กินกันเท่าไหร่ ท่านอยู่กันแบบมากน้อยสันโดษอยู่แบบนอนกระดินยิงกระซายจริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ขอให้ที่มันสงบขอให้ที่มันมีมีอะไรมาท้าทายให้เกิดสติให้เกิดปัญญาอยู่ในที่ที่มันทุกข์ยากลำบากมันจะต้องใช้สติสู้กับความทุกข์ยากลำบากซึ่งเป็นเหมือนทุกขเวทนาอย่างน้งเราก็อยู่กับสถานที่น่ากลัวที่มีพิษภัยอันตรายต่อร่างกาย ส่วนทุกขเวทนาถ้ายังไม่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะเจอมันก็นั่งไปสินั่งไปแล้วอยากไปขยับนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาเองอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยแบบจําลองแต่ก็เป็นความเจ็บจริงๆใครไม่เชื่อลองนั่งดูเลยนั่งไปนานๆแล้วดูเวลาร่างกายมันเจ็บนี่มันเหมือนกับตอนที่ร่างกายมันเป็นไข้เลย เจ็บปวดเล้าไปทั่วสพางกายอนั้นอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ทํำไมนักปฏิบัติจึงต้องนั่งกันนานๆนั่งกันไปเพื่อให้เจอความเจ็บเพราะจะได้ใช้ความเจ็บนี้มาเป็นหินรับปัญญาต่อไปพิจารณาความเจ็บนี้เพื่อให้ใจปล่อยวางให้ได้เพื่อให้ใจไม่ไปทุกข์กับมันให้ได้เพื่อให้ใจยอมรับความเจ็บให้ได้เพื่อให้ใจไม่ให้เกิดความอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป ให้ใจอยู่กับมันให้ได้สู้กับมันไปถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันจะได้ใหม่ๆอาจจะไม่ได้ท้งแรกอะลองแล้วก็แพ้สู้ไม่ไหวโอ้ยทนไม่ไหวไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเดินจงกรมใหม่เดี๋ยวกลับไปให ม, ม่สู้แบบไม่ถอยเดี๋ยวมันต้องได้ไม่ไม่ยกหนึ่งก็ยกสองไม่ยกสองก็ยกสามทำไปถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่าย พอเราอยากจะเอาชนะความเจ็บปวดนี้ให้ได้เนะี่ยพอเราชนะได้เยพระพุทธเจ้าชนะมาแล้วพระหลานตัสาวกทั้งหลายท่านชนะมาแล้วเราก็จะชนะได้ถ้าเราเอาอุบายที่พระเจ้าทรงสอนมาใช้ให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ในเวทนาในความในทุกขเวทนาในความเจ็บปวดของร่างกายเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าพยายามทำอย่างนี้นะ ไม่ไม่ช้าก็เร็วรับรองได้ว่าจะต้องผ่านทุ ก, กเวทนาได้กันทุกคนพอผ่านได้แล้วที่นีโอ้มันสบายเรื่องความเจ็บ ป, ดปดวดรวดรแรงต่างๆของร่างกายมันจะมาจะหนักจะเบาอย่างไรนี้อยู่กับมันได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่เป็นปัญหาอะไร เดี๋ยวเวลาตายมันก็หายเองถ้าไม่ไม่ต้องไปรักษามันให้เสียเวลาเดี๋ยให้ความตายมาเป็นหมอแทนก็ได้พอตายแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายมันหนีหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันหนีหมดเลยโควิดมันไม่อยู่นะ้วพอร่างกายตายปั๊บนี้มันไม่เอาแนละ้วเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความจริงที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยคือ ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองไม่ใช่ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องวิตกกังวลให้ใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ใจปล่อยวางปล่อยวางได้แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของร่างกายและเวทนาได้มีคือผลที่เราต้องการจากการมา ปฏิบัติทมกันมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาเพื่อที่เราจะได้มากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหลงของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาต้องมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟั ง, ฟ ง, ฟงวิธีปฏิบัติจเจริญสติจเจริญยังไงจเจริญปัญญาจเจริญยังไงรู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ทั้งพระไตรปิฎก รู้แค่สองตัวนี้ก็สามารถเอาไปทํอาหากินได้สบายเอาไปทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้<ม>ขอให้เราพยายามศึกษาทำในที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวก็พอมไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายกายกองมันเป็นความรู้ที่ที่ไม่มีประโยชน์สาหรับการปฏิบัติ ความรู้ที่เกี่ยวการปฏิบัติคือการเจริญสติการเจริญปัญญาการรักษาสิน่นี่แหละเป็นความรู้ที่เราต้องคอยศึกษาและเพื่อจะได้นำามาไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏทิตังต um ุมหังคลิฟเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปายันโทปนาราโสยะถามานิโชติ ภราสุยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีวิสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมาวาทันติอายุวันโอสุขัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวเวลาเดียวที่เราจะคุยกันได้เพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกมันจะต้องทำภารกิจอย่างอื่นต่องั้นใครอยากจะถามอะไรก็ เข้ามาถามได้ถ้าอยากจะถามเองถ้าไม่อยากจะเข้ามาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง youtube ได้วันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่วันนี้ผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ431 YouTube พระสุชาติไลฟ์ส4 7 YouTube Dr.V เจ a n n e l 1 0ดวหนึ่งรวิทยุออนไลน์3 club ับฮสหผู้รับฟังหน้ากุฏิ81ดเอดรวมทั้งหมด8ปดร้อยแปดบเอ็ดถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามจากคุณนก หนูนั่งสมาธิรู้สึกสงบเย็นสบายดีแต่ก็เหมือนฝันว่ามีคนเอาลูกอมสีสีมาให้และพยายามให้เราออกจากสมาธิไปรับหนูเลยบอกผู้ให้ว่าให้วางเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็เอากลับไปความฝันนั้นก็ยุติลงและกลับมาสู่ความสงบเหมือนเดิมเจ้าค่ะอย่างนี้เป็นกิเลส ท, ที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นขณะที่นั่งสมาธิหรือเราเผลอหลับฝันไปแต่ก็รู้สึกตัวดี ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเผยสติก็ได้พอเผยสติจิตมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาก็ได้ก็ดีแล้วละ่ะถ้าเราก็รู้ฉลาดเราก็อย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งในสมาธิพยายามดึงจิตให้กลับเข้ามาสู่ความสงบสู่ความว่างคําถามต่อไปจากคุณนิคมทําไมเราจึงกลัวผีกลัวศพครับ และจะใช้ปัญญาอย่างไรขจัดความกลัวให้ออกไปได้ครับลึกๆ ก, ก็คือกลัวตายนั่นแหละพราคิดว่าสิ่งที่เรากลัวมันจะมาทำให้เราตายเงี้เราก็เลยกลัวถ้าเราไม่กลัวตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเ่งั้นพื้นฐานของเราก็คือเรายังอยากอ ย, กอยู่กันเพราะเรามีกิเลสอยากหาความสุขอยากการมีร่างกาย พอมีร่างกายเราก็จะได้ใช้ร่างกายพาเราไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปทําอะไรได้เราก็เลยรักร่างกายหวงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรพอไปเจออะไรที่คิดว่ามันอาจจะมาทําร้ายร่างกายเราได้เราก็เลยกลัวกันแต่ถ้าเรายอมตายอย่างที่เทศวันนี้แล้วเกิดมาแล้วต้องตายไปกลัวทำไมต่อไปมันเห็นอะไรมันก็ไม่กลัวมันมันเป็นรู้ว่ามันมันจะทําอะไรเราได้มันมันจะทําให้ร่างกายตายมันก็ต้องตายอยู่ดี แล้วมันจะมาทําใจเราเราก็มีสติมีปัญญาเราไปกลัวอะไรแล้วก็ดูเฉยๆไปนั่นี้งคำถามต่อไปจากคุณจรัญญามีสามคำถามครับคำถามแรกโยมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมในงานปริวัติศกรรม ได้พบตัวสติคือการที่ใจไม่วอกแวกไปจากอารมณ์ปัจจุบันใจอยากจะคิดโยมก็ไม่ทำตามเพราะพบเห็นแล้วว่าการทำเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เลิศเลอแต่ถ้าเราสังเกตที่เหตุการเฉพาะหน้าในปัจจุบันจะสบายใจกว่าแต่ต้องมีการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ยังทำไม่ได้ต่อเนื่องจะพัฒนาและแก้ไขต่อไปโยมปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่ครับถูกต้องก็ต้องมีเวลาให้เจริญสติต้องไปปฏิบัติทำบ่อยๆเพราะถ้าเรากลับมาอยู่ที่บ้านมาทำธุรกิจทำอะไรตามปกติมันก็โอกาสที่จะเจริญสติมันก็จะไม่มียังต้องหาเวลาไปปรีกวิเวกไปเจริญสติให้มากๆให้บ่อยขึ้น คำถามที่สองเราจะพิจารณาตัวเราเป็นท่อนกล้วยที่วางอยู่บนพื้นดินได้ตลอดเวลาไหมครับแต่ก็ทําหน้าที่ไปตามหน้าที่ที่มีอยู่ด้วยครับก็พิจารณาว่าร่างกายมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นแหละมันทําจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสลายไปหมดกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปถ้าเราจะพิจารณาก็ส่วนใหญ่จะคนจะพิจารณาตอนที่เราไม่ทําอะไรจะจะได้ ในได้น้ำได้เนื้อกว่าเวลาเราทำะไรเราก็ต้องมีสติอยู่กับการทำงานของเราไปไม่งั้นเดี๋ยวการทำงานของเราจะผิดพลาดได้ส่งข้อความเข้ามารับข้อความหรือต้องมีเวลาจะพิจารณาเคยชพิจารณาแบบแบบรวบๆก็ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกตาเราใช้มันมันเป็นเหมือนหุ่นทำอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเกินไป มันจะเป็นจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับมันก็แล้วกันคิดอย่างนี้ไปคำถามที่สามเวลาฝันแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราฝันอยู่สิ่งที่ประสบพบนั้นไม่เป็นความจริงหมายถึงดวงจิตเราเป็นอย่างไรครับก็หม 3, ายถึวรรวงว่ามันเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นความฝันเท่านั้นเองเฝันแล้วมันก็ผ่านไป คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับขณะใกล้สิ้นชีวิตตอนป่วยหนักเราควรวางใจอย่างไรระหว่างการนึกถึงบุญที่ทาหรือท่องพุโทโธไปเรื่อยๆหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหรือต้องทำอย่างไรครับก็ถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าโปรงได้ก็ปรงไปปรงว่าตายลอัอนรณะจังแ่งกายไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นตุ๊กตาเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายของมันใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้รับคาสั่งความคิดแล้วก็ทำตามคาสั่งแต่ร่างกายมันก็ไม่เที่ยงว่าถึงเวลามันก็ต้องตายไปก็ปล่อยให้มันตายไปคำถามต่อไปจากคุณน้ำการภาวนากับการสวดมนต์เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ครับ การสวดมนต์ก็เป็นวิธีภาวนาอย่างหนึ่งวิธีภาวนามีหลายวิธีพุทโธก็เป็นการภาวนาการเจริญสติดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นการภาวนาการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นการภาวนาคำถามต่อไปจากคุณอ้ํานั่งสมาธิแล้วสมาธิชอบหลุดก่อนครบเวลาทุกทีเลยครับ จะแก้ไขอย่างไรถึงจะทําให้นั่งสมาธิได้ครบเวลาครับก็ต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่งนี้มันฝึกสติให้มากขึ้นเราฝึกสติได้ดังเดาลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้มากเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิมันจะนั่งได้นานขึ้นคําถามจากคุณดวงเดือน การสมาทานศีลห้าบางวัดกล่าวคําว่าวิสุงวิสุงแต่บางวัดไม่ได้กล่าวไม่ทราบว่าที่ถูกต้องจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ไปถามวัดที่เขาทำํำเราไม่ได้ทําเราก็ไม่รู้เหมือนกันะเรารู้ว่าราักษาไปก็ต้องกันศีลห้ามีกี่ข้อกันรักษาไปจะสูงไม่สูงเมื่ช่างหัวมันนะไว้รักษาไก็ต้องกันคําถามต่อไปจากคุณสหาย ถ้าเราเป็นแม่ชีสามารถเดินทุดงกับพระได้ไหมครับการทุดงความจริงมันแปว่าไปที่เปียวไปที่วิเวกหญิงชายไม่ควรไปอยู่ที่เปียวที่วิเวกด้วยกันเพราะว่ามันเสี่ยงต่อเสี่ยงต่ออำนาจของกิเลสมากส่วนใหญ่ถ้าไปทุดงไปวิเวกนี้เขาจะความจริงคำว่าวิเวกก็คือไปคนเดียววิเวกหมายถึงสงบสงดัดห่างไกล อยากสรุปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นวิเวกที่แท้จริงนี่ต้องไปคนเดียวทุดงไปทุดงในป่าแล้วเดินเป็นขบวนไปนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการไปวิปรกวิเวกมันเป็นการไปไ ป, ไปประชาสัมพันธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ในการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอมาเผยแพร่ด้วยอันนั้นไม่ใช่เป็นการไปปริกวิเวกถ้าไปปริกวิเวกนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราไปเพราะรู้เดี๋ยวตามไปต้องไปแบบเงียบๆไปไม่ให้ใครรู้ ไปคนเดียวคำถามต่อไปจากคุณสติลเวลาที่หนูพุโทโธพุโทโธแล้วจะเห็นใจที่อยากจะไปคิดเรื่องอื่นจะทำอย่างไรดีเจ้าคะอย่าไปสนใจแล้วกากพุโทโธของเราไปไม่ไมมันจะแข่งกันจะแย่งกันเหมือนมีไม้อันหนึ่งแต่คนสองคนจะแย่งไม้กันเราจับไม้ไว้นะั่นอย่าให้มันดึงไปจับไม้เราพุโทโธพุโทโธร้องเพลงของเราไปนะ ส่วนเขาจะมาขอร้องไม่อย่าไปสนใจเราเล่าคนเราไปถือใหม่ไปเรื่อยๆอันเดียวเขาเหนื่อยเขาหมดแรงเขาก็ไม่มาไม่มาแย่งเราเองนะม่ไ่สติเรายังน้อยอยู่ยังอ่อนอยู่มันเลยห้ามความคิดต่างๆยังไม่ได้ให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันยังวับไปคิดเรื่องนั้นวับไปคิดเรื่องนี้อยู่ก็ต้องพยายามใช้ใช้ความอดทนความความใช้ความ มันคงให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าหยุดพุโทโธถ้าหยุดพุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันไปเลยไปตามความคิดเลยคำถามต่อไปจากคุณโก้นั่งสมาธิแล้วเห็นนรกสวรรค์อันนี้เป็นนิมิต จ, จริงไหมครับเป็นยังไงนรกสวรรค์มาเล่าให้ฟังวันเราจะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงตามหลังนรกก็คือสถานที่หรือว่าสภาพของจิตใจที่มีแต่ความทุกข์ รุมร้อนด้วยความมากคาดพยาบาทสวรรค์ก็เป็นสางที่ที่มีแต่ความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แล้วแต่ก็ขอให้รู้ก็แล้วกันว่าถ้ามันเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นนรกเป็ น, นอบายหมวดแล้วเละอืม เมื่อกี้มีคนอมีคนใอยากจะขอถานอะไรา ก, การน้ำสการอาจารย์นะครับจะสอบถามมีข้อสงสัยว่าคุณคุณแม่นี่เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วหลงไปแล้วน้แล้วลูกๆนี่ปฏิบัติธรรมเช่นสวดมนต์ภาวนาสมาธิจะสามารถแผ่บุญกุศลให้คุณแม่ ใช่ได้ชีวิตอะไรทั้งหมดลของไทยของมันต้องทำมันเองนพระเจ้าบอกอย่าประมาทให้รีบทำตอนที่สังขารมันยังไม่ร่วงโรยพอมันร่วงโรยแล้วจะทำอะไรไม่ได้ครับขอบพระคุณมากครับคำถามจากคุณมีชัยผมใช้พุทโธแข่งกับความคิดถูกต้องไหมครับใช่ก็ใช้พุทโธสู้กับความคิดนะ ความคิดจะอย่าไปตามความคิดอย่าไปสนใจกับความคิดเราให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปความคิดมันก็จะหมดกําลังไปงหมดแล้วเนี่ยโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอไหมถ้ามีก็จะได้ให้กลับบ้านกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ